คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เมสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธั ญ, ญบรุรีให้บริการทรงเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีตเมนท์ทุกส่วนของร่างกาย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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Innovation for Life ค่ะพบกับพิชันคุณกนิษฐ์ทองเงาเช่นเคยนะคะที่ FM 89.5 MHz ส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต Innovation for Life ในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อ ในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างนานอเทกนะคะจับมือสัตวแพทยศาสตร์จุลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนานาโนวัคซินแบบแช่แก้โรคระบาดพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มมู ล, ลค่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ําไทยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือกันของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนานอเทกนะคะสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชได้ดําเนินการวิจัยร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนานวัตกรรมนาโนวัคซีนขึ้นค่ะในรูปของอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติเกาะติดเยื่อเมือกแบบแช่ทดแทนการฉีดแบบเดิมสำหรับการควบคุมโรคติด เชื้อในปรานิลนนะคะแก้ปัญหาโรคระบาดในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปรานิลรายละเอียดต่างๆเราจะพูดคุยกันนะนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรชาญนารงค์รอดคำซึ่งท่านดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกสักครู่หนึ่งคะ่ะเราจะมาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน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 กลับเข้ามาสู่ Innovation for Life ค่ะดิฉันขอแนะนําแขกรับเชิญในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรชาญนตรรงรอดคําท่านดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคณะศัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เราจะพูดคุยการเกี่ยวกันกวกบนาโนเทคร่วมจับมือกับศัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนานาโนวัคซีนแบบแช่แก้โรคระบาดนะคะและตอนนี้แขกรับเชิญก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาโครงการความร่วมมือหรือว่าการพัฒนานานวัคซีนแบบแช่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถ้หากว่าใครที่อยู่ในแวดวงการทางด้านสัตวแพทย์ฟังแล้วอาจจะรู้เรื่องแต่คนที่อยู่ในนอกเหนือวงการเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะว่ามันคืออะไ ร, รอาจารย์พอจะอธิบายเรียกว่าที่มาที่ไปให้เข้าใจกันก่อนได้ไหมคะก่อนที่จะมาถึงการพัฒนานานวัคซีนนี้ค่ะ อ๋อครับได้ครับคือเริ่มเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มจากที่คณะแพทย์จุฬาเราเนี่ยเรามีหน่วยวิจัยโรคติดเชื้อของปลานะครับหรือ fish, fish infectious disease research, research unit เราศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆของของปลาเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างทิ่ปลาเศรษฐกิจอย่างเช่นปลาหมันปลากระพงอะไรพวกนี้นะครับ แล้วเราก็พบว่าโรคระบาดอันหนึ่งเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างทําความเสียหายหกับศาสตร์การเลี้ยงปลานมิ่นแล้วก็ปลากระพงค่อนข้างมากนั่นก็คือโรคเนื้อเน่าหรือซึ่งเกิดจากเชื้อฟาโวแบคทีเรียมคอร์มแนนะครับเราก็ศึกษาวิจัยไอเตอรเชื้อตัวเนี้ครับมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ศึกษาในเรื่องของรายละเอียดของตัวเชื้อการก่อโรคอะไรต่างๆจนจนหมดละเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ ทำยังไงดีเราถึงจะต่อยอดเพื่อจะหานวัตกรรมอะไรใหม่ๆมามาป้องกันการติดเชื้ออันนี้ให้กับการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในบ้านเราได้เพราะว่าถ้าถ้าเราต้องใช้ตัววัคซีนหรือว่ายาซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีราคาค่อนข้างแพงซึ่งการเลี้ยงปลาในบ้านเราเนี่ยคงคงยังลงทุนเยอะขนาดนั้นไม่ได้ับครับ เราแล้วเราก็เลยมานั่งมานั่งคิดว่าเอ๊จะใช้วิธีการางไงดีเพราะเอิญได้รู้จักกับนักวิจัยที่สวทชสองท่านนะครับที่นาโนเทคสองท่านาก็คื อ, อด็อกเตอร์เทวพงษ์ยัทานะครับแล้วก็ด็อกเตอร์ขาชาวิทย์นามดีนะครับก็เลยชวนทั้งสองท่านเนี้ยมานั่งคุยกันนะครับว่าน้องมีเทคโนโ ล, โลยีอะไรไหมที่จะพัฒนา งานซึ่งซึ่งทางจุลาเนี่ยค้นคว้าวิจัยออกมาได้ในในระดับหนึ่งเนี่ยต่อยอดไปเพื่อจะใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคเนี้ยในในสานะครับน้องก็บอกว่าเ อ, อลองลองดูซิว่ากลไกการเก่อโรคเนี่ยมันเป็นยังไงพอพอทางจุลาเล่าให้น้องฟังนะครับก็บอกว่าการกลไกการเกิดโรคเนี่ยมันเริ่มจากการเกาะติดของเชื้อเนี้ยที่เหงื่อ น้องก็เป็ไอเดียทั้งมดเลยที่ที่นายนคน้ก็เป็นไอเดียทั้งหมดเลยว่าอ๋อถ้ามันเกิดเอ่อมันเริ่มต้นก่อโรคจากการเกาะติดเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้ตัวเชื้อเนี่ยมันเป็น อ, อนุภาคเล็กๆแล้วเอาอนุภาคนาโนเนี่ยมาจับติดกับตัวเชื้อเพื่อให้การเกาะติดหรือการนําส่งเขเลกแอนติเจนนะครับหรือว่าเออนุภาคของเชื้อเนี่ยมันเกาะติดที่เหนื้อได้ดีขึ้น แล้วก็เริ่มทดลองกันเลยนะครับ mm hmm. โดยที่เราเริ่มจากสเกลในห้องหลักก่อนเล็กๆในห้องหลักก่อนปรากฏ ว, ว่าการทดลองในเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เอเขาเรียกว่าการออัตราการรอดของของตรานินในในห้องปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างส mm ูง hmm. เมื่อเทียบกับกลุ่มทดลองที่ไม่ได้ทาวัคซีนนะครับค่ะ mm hmm. อาจารย์คบค<า>่ะขอแทรกนิดนึงอะค่ะใน <ขา S 2> โดยทั่วไปสำหรับ เ, เกษตรกรที่ที่เลี้ยงเพราะเลี้ยงปลานิเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเจอในส่วนของการติดเชื้อนี่เยอะหรอคะอาจารย์เยอะมากครับเยอะมากแล้วก็ทำให้อัตราการตายเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตได้เลยนะครับมันอยู่ที่ช่วงของปลาด้วยว่าติดเชื้อในช่วงไหนซึ่งเชื้อเนี่ย อต้องบอกว่าไม่ได้เกิดจากความรุนแรงของเชื้อเอ่ออย่างเดียวมันเกิดจากคือการเกิดโรคในในสัตว์น้ําหรือในปลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสามอย่างก็คือตัวเชื้อเองมีความรุนแรงไหมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือน้ําในการเลี้ยงปลาเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวปลาเองสุขภาพเป็นยังไงคือถ้าแย่ทั้งสามอย่างมาประกอบกันปุ๊บ okay. การเกิดโรคก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับค่ะคเพราะว่าในในบ้านเราในเรื่องปลานินิ่งนิยมเพาะเลี้ยงกันมากนะคะอาจารย์อย่างอย่างที่ใช่ผมอย่างในสุ ป, ปราการหรืออะไรแถวนี้ที่อาจารย์ใช้เป็นที่ทดลองด้วยอาจารย์คะแล้วโดยโดยปกติแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมทางด้านผู้ที่เพาะเลี้ยงปลานิญส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะเขาจะมีวิธีในการเรียกว่าควบคุมโรคหรือว่าป้องกันการติดเชื้อยังไงบ้างอะคะเอ่อ ในอดีตนะครับ <Okay. S 2> เรายังไม่ไม่ไม่ได้นิยมในการทำ mm. วัคซีนกันมากเท่าไหร่ในในในประเทศเนื่องกากว่าวัคซีนส่วนใหญ่เป็นวัคซีนที่ผลิตในต่างประเทศนะครับซึ่งอ น, นี้ก็คืออโจฉาหนึ่งของเราที่ว่าทำยังไงเราถึงจะมีวัคซีนซึ่งใช้กับกับปลาในบ้านเราได้โดยที่ราคามันค่อนข้างถูกแล้วก็เรียกว่ายัางไงดีฮะตามแน r f r i e คือกเกษตรกรเองก็สามารถ นำเอาไปใช้ได้อว่าซื้อไปใช้ได้โดยที่มันไม่ได้แพงอะไรมากมายเ ม, mm hmm. มื่อเทียบกับอราคาต้นทุนการผลิตเพราะว่าปลนมินไม่ได้เป็นปลาที่ราคาแพงอะไรมากมายเลยถ้าเทียบกับปลาอย่างอื่นเช่นอย่างเช่นปลากะพงหรือว่าปลาเก๋าอะไรพวกนี้นะครับมันราคามันยังค่อนข้างถูกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของนักวิจัยอย่างพวกเราเนี่ยก็คือทํายังไงจะแบบลดลดคอสลด ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรให้ได้เยอะที่สุดนะครับค่ะแต่ถ้าปลาชนิดอื่นค่ะปลาชนิดอื่นอย่างที่ปลาเก๋าใช่ไหมคะปลากระพงเนี่ยมันมีราคาอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีราคาค่อนข้างแพงในการดูแลหรือว่าการฉีดวัคซีนก็ก็ดูแลกันกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์แต่ปลานีนเนเขาก็มีการทําวัคซีนบ้างครับใช่ครับโดยช่วย่างยิ่งนะ การทำวัคซีนที่ที่อยากแนะนำให้ทำถ้าถ้าต้องเป็นวัคซีนแบบฉีดหรือแบบป้องการรายตัวเนี่ยอยากแนะนำให้ทำในในพ่อแม่พันเพราะว่าเชื้อโรคหลายๆเชื้อเนี่ยจากที่มีการศึกษาวิจัยในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะสามารถส่งผ่านจากจากตัวพ่อแม่ปลามาสู่ลูกได้นะครับค่ะครับเขาเรียกว่า vertical transmission ก็คือ mission, มันสามารถส่งผ่าน อ่าจะป้องกันตั้งแต่เขาเรียกว่าป้องกันตั้งแต่ตัวแม่พันเลย mm hmm. ตัวบูสต์สต็อกเลยครับ mm hmm. ครับซึ่ง <Okay. S 1> อันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการทำวัคซีนถ้าเป็นวัคซีนแบบฉีดนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นเ็นวัคซีนนาโนที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยประเด็นเลยก็คือเรามาคิดว่าทำยังไงถึงถึงจะทำวัคซีน ให้ปลาในปริมาณมากๆได้โดยเราไม่ต้องจับมาฉีดทีละตัวทีละตัวเพราะว่าถ้าอย่างนั้นคงคงไม่เวิร์กแน่คงคงคงไม่ไม่ไม่เกษตรกรคงไม่ฮัปปี้แน่ที่จะทำเพราะว่ามันต้องใช้ซิสเต็มซึ่งซึ่งราคาในคนทั่้างสูงนะครับคนสูงใช่ค่ะซิสเต็มเนี้ยปกติเขาทำกันในปลา ใหญ่แบบแพงๆมีราคาแพงเช่นปลาแซลมอนอะไรนี้อะไรย่างเงี้ยครับค่ะก็คือจับมาฉีดเชื้อตัวคือป้องกันตั้งแต่แม่พันธุใช่ไหมคะแต่นาโนของอาจารย์ที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยคือวัตถุประสงค์หลักคือจะทํายังไงแบบในปริมาณแบบเรียกว่าควบคุมมากๆอ๋อแล้วใช้ต้นทุนต่ําอันนี้คือหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะประมาณห้าสิบสตางค์อะไรประมาณนั้นเองครับเท่าเท่าที่เราคํานวณในเบื้องต้นมาได้นะครับเพราะว่า ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าสู่ commercial scale หรือเรายังไม่ได้ผลิตเพื่อเพื่อเป็นทางการถ้าเรายังอยู่ในขั้นตอนการทดลองในระดับฟาร์มขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่อยู่ค่ะอาจารย์ค่ะเราอาจารย์ได้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนานโนแบบนี้มาจากไหนคะก็ก็อย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับก็เป็นการนั่งคุยกันธรรมดาเหมือนแบบพี่น้องนั่งคุยกันระหว่างศาสตวแพทย์ุลากับ นาโนเทคนั่งดีแบแล้วก็มันก็มีไอเดียของของนักวิทยาศาสตร์นักที่ใจพถูดออกมาไว้เองจากกลไกการเกิดโรคของเชื้อก็ตามจากการนำระบบนำส่งที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์มีก็ตามทำยังไงจะเอามาควบรวมกันเพื่อที่จะพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งนะครับแล้วก็พอพอเราคิดได้เราก็เริ่มลงรรมือทำกันเลยเพราะว่าเรามี เรามีอ่ทรัพยากรในห้องหลักอยู่บ้างแล้วแล้วก็เริ่มต้นแบบเกลวเล็กๆ ก, ก่อนครับอืมค่ะอาจารย์ขาเราจุดเริ่มต้นที่ร่วมงานกันเนี่ยจะพอจะเล่าได้ได้ไหมคะว่ามีกระบวนการการร่วมงานทำงานงานกันอย่างไรบ้างอนะคะอ๋อครับคือคือของผมเนี่ยเริ่มต้นเลยคื อ, อดอกเตอร์เทวพงศ์กับดรคาถาวุฒิเนี่ยเขาต้องการผลิต นาโนโวัคซีนตัวหนึ่งนะครับอบอกได้ว่าเป็นป น, นาโ น, โนวัคซีนเกี่ยวกับเชื้อเกล็ดตกอคคซึ่งเป็นเชื้อที่สาคัญในการใ น, ในการาก่อโรคในประเีศอีเช่นกันนะครับเขาก็มานั่งศึกษาผมซึ่ ง, ซ, งซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นงานของของ อ, อีกคณะหนึ่งที่หนึ่งของเขานะครับเขาก็มาปรึกษาเพราะว่าเขาเขาค้นพบว่าผมเนี่ยทำงานวิจัยทางด้านเกล็ดตคอคคามบ เชอื่นอืที่เก่อโรคในปลามันก่อนาาอนั้นมานั่งคุยกันก็ก็ให้ไอเดียอ่าด็เตอรเทย์พูลกับกเคาทาวิทไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ป้อนไอเดียของเราออกไปบ้างแล้วเออพี่มีไอเดียแบบเนี้ยน้องน้องช่วยอะไรได้บ้างซึ่งซึ่งทําจะทําให้มันเป็นเป็นตัววัคซีนออกมานะครับแล้วเราก็เริ่มร่างโจท็จ ก, กันเริ่มทํากันครับอออืืค่ะแล้วในส่วนของกระบวนการการพัฒนาเนี่ยค่ะในส่วนไหนที่คิดว่าแบบ เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างยากที่สุดอะคะ่ะค่ะครับเป็นคำถามาที่คำถามาที่เป็นคำถามาที่มีคนถามบ่อยมากนะครับ <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าทั้งกระบวนการเนี่ยมันต้องมันต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทําอยู่แล้วทั้งทั้งทั้งหมดนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเชื้อเองเพราะเราต้องศึกษาวิจัยเชิงลึกไปในเรื่องของเอ่อจเนติกหรือพันธุ ก, กรรมของของตัวเชือ้อเลย แล้วก็เอามาเรียงลําดับว่าเชื้อในประเทศไทยมีอยู่กี่กลุ่มลักษณะเป็นยังไงบ้างอันนั้นก็ระดับหนึ่งซึ่งซึ่งทางจุฬาเนี่ยก็มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับตัวเชื้ อ, อตัวฟลาวเวแบคบเทียมคอร์ลาเนาออกมาเยอะแยะเลยนะครับเสร็จ แ, แล้วเราก็เอาภาพที่เราหรือพิกซ์ออที่เราค้นพบเนี่ยใจากการวิจัยในตัวเชื้อเนี่ยไปส่งต่อให้ n าโนเทคนาโนเ tech เขาก็จะมี กลจกในการทําตัวเชื้อเนี่ยให้เป็นตัวนาโนพาติเคิลหรือว่าตัวตัวนานโนวนะครับเพื่อให้มันเกาะติดอกับกับตัวเยื่อเมือกของปลาไม่ว่าจะเป็นเยื่อเมือกที่เนือกหรือว่าที่ผิวได้ดีขึ้นนะครับก็มีกระบวนการในการเอทําให้เป็นนานโนวัดอนุภาคว่ามันเป็นนานโนหรื อ, อยังแล้วก็มีการเปลี่ยนประจุยเพราะว่า เราเราอาศัยการเกาะติดเนี่ยเราอาศัยเรื่องของกระจุไฟฟ้านะครับอของของตัวพื้นผิวของตัวปลากับตัวนาโ น, โนพาร์ติเคิลซึ่งสองกระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการใหญ่ๆ ใ, ในการทำวิจัยออกแล้วก็อีกกระบวนการหนึ่งที่ที่เราต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการทำคือหลังจะทำวัคซีนแล้วเนี่ยคุณคุ้มกันของปลา ที่เกิดขึ้นโดยช่วยอย่างยิ่งคุ้มคุ้มกันกระดับเยื่อเมืเนี่ยมีอะไรที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาบ้างนะครับอาจารย์คะลราในส่วนของวัคซีนานาโนที่อาจารย์พัฒนาขึ้นเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็อธิบายเยอะเหมือนกันก็จำไม่ได้ว่ากระบวนการไหนบ้างอะไ ร, ร, รที่แบบว่าเรียกว่าตัวตั ว, ต ว, ต ว, ตวไฮไลท์หรือว่าตัวที่จะมาเป็น วัคซีนในการในการเรียกว่าการเข้าไปฉีดหรือไปแช่เนี่ยคะ่ะมันมันต้องทงาอํางานยังไงอะคะอ๋อครับคือเอหลักการหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้อ่ซับซ้อนอะไรมากนะครับคืออนุแต่ตัวเชื้อเนี่ยเรานําเอามาทําให้เป็นเชือ้อเชื้อตายก่อนเพราะว่าแน่นอนในในวิชาการการล้างตาเนี่ยเรายังไม่อนุญาตให้ใช้ใดๆก็ตามที่เป็นเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่หรือ เ, เชื้อเป็มเนี่ในการทําวัคซีนนะครับ เราก็ทำทาเชื้อให้เป็นเชื้อป่าก่อนแล้วเราก็ทำตัวเชื้อเนี่ยให้เป็นอ น, นุภาคขนาดเล็กเสร็จแล้วเราก็เอาตัวออกกันินาโนพาร์ติเคิลเนี่ยมาเคลือบตัวตัวเชื้อเอาไว้ซึ่งไอตัวเชื้อเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ า, าบริเวณที่มันกระตุ้นการสร้างคุณคุ้กันในป่าอยู่พ อ, อตามทันไหมครับตรงนี้ อาจารย์ค่ะอีกนิดเดียวก็ ค, คืออันนี้ข้อสงสัยแล้วตัวเชื้อที่ว่าเนี่ยค่ะ อ, อาจารย์กว่าจะได้ตัวเชื้อนี้มาเนี่ยที่จะมาทําเป็นอนุภักนาโนเนี่ยค่ะกระบวนการมันเป็นยังไงนะคะจำเราเราจะรู้ได้ไงว่า เ, <อ>เชื้อตัวไหนควรที่จะมาใช้อ่ะค่ะอ๋อหมอขาเป็นคาถามที่ดีมากครับคือเราเอ เริ่มต้นเนี่ยเราก็แยกเชื้อกับปลาที่ป่วยเนี่แหละครับ mm hmm. เราก็มีเชือ้อแบบเป็นร้อยๆสายพันธเลยในห้องปฏิบัติการของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องนํามาทดสอบความรุนแรงก่อนเราเลือกสายพันธุ์ที่ก่อความรุนแรงกับปลานิน่นเราเริ่มต้นที่ปลาหมิ่นนะเราชะนั้นเราจะทดสอบกับปลานิน่น mm hmm. เราเลือกสายพันธุ์ที่ก่อโรคหรือก่อความรุนแรงกับปลานิ่นเนี่ยมากที่สุดเพราะว่า เราเชื่อว่าถ้าสายพันธุ์เนี้เรามาทําให้เป็นเชื้อตายแล้วเราทําให้เป็นอ น, นุภาคนานโนเนี่ยมันย่อมต้องกระตุต้นถึงคุ้มกันได้คนข้าดีนะครับค่ะก็คือ อ, อันนี้พูดภาษา บ, บ้านๆเลยนะคะอาจารย์ก็คือเอ า, าตัวเชื้อที่ที่ฆ่าอา่าปานินนัแหละก่อให้เกิดตีฆ่าปลาหนินนั่นแหละเอามาหาดูว่ามันเป็นตัวไหนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เอาเชื้อตัว น, นั้ น, นะมาฆ่า มามาทําให้มันตายมาทําเป็นวัคซีนใช่ใครับซึ่งอจากคําถามเนี้ยแต่คําถามเนี้ยคือตัวตัวเชื้อซึ่งเราแยกได้จากอ่าพื้นที่หรือว่าภูมิภาคนั้นๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าจะทําวัคซีนให้ได้ดีก็ควรเป็นเชื้อที่แยกในในประเทศไทยได้ให้ได้ดีก็ต้องควรจะเป็นเชื้อที่แยกไดจากในประเทศไทยไม่ควรจะไปเอาเชื้อที่มันมาจากต่างประเทศเอามาทําวัคซีนหรือกูง่ายๆคือ ไม่ควรไม่ควรจะไปซื้อวัคซีนซึ่งทําจากเชื้อสายพันธุ์ที่ได้จากต่างประเทศเราก็เอามาทําวัคซีนกับปลาในบ้านเราเพราะว่ามันคนละเรื่องกันออืครับพราะที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะคือซื้อวัคซีนจากต่างประเทศแล้วก็เอามา<อ>ก็คิดว่าในในบัก๊กวัคซีนบางชนิดนั้นเนื่องจากว่าเป็นความจําเป็นมากกว่าถ้าจะต้องทําวัคซีนเพราะาเรายังไม่มีผลิตนะครับเรายังไม่มีการการการผลิตวัคซีน ในลักษณะเป็นอ่าทางการค้าขออกมาจําหน่ายให้เกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการทําวัคซีนตาโดยเขาอย่างยิ่งตราในบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นวัคซีนซึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่าผลิตแบบเฉพาะกิ่ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มีการจําหน่ายทางการค้า mm hmm. นะครับแล้วก็ทําในความไทยฟาร์มัน mm hmm. อะไรประมาณอย่างนี้ันมากกว่า ครับค่ะโอเคพรจะเข้าใจในเบื้องต้นค่อนข้างยาวพอสมควรเดี๋ยวจะขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวจะขอในช่วงหน้าจะสอบถามกระบวนการรวมถึงเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ลวเราจะไปใช้งานอย่างไรนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียว ค, ค่ะสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 สอบถามโทร02 592 1991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 สอบถามเพิ่มเติม02 549 4531และที่087 518 1624รายการ Innovation for Life กลับเข้ามาสู่ Innovation for Life ค่ะวันนี้ เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนางานร่วมกันนะคะระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยจุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานาโ น, โนวัคซีนแบบแช่แก้โรคระบาดพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นชื่อเต็มๆแต่เมื่อในเบื้องต้นที่ได้พูดคุยกันก็เราได้คุยกันในเรื่องของที่มาที่ไปของการพัฒนานาโนวัคซีนนี้แล้วนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศตวร แพทย์ดรชันรงรอดคําค่ะและในช่วงนี้ก็จะต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์คะเกี่ยวกับกระบวนกา ร, รในการพัฒนาวัคซีนนะคะอยากให้อาจารย์สรุปรอีกครั้งหนึ่งว่ า, าวัคซีนโนาโนที่จะใช้เนี่ยประกอบอกระบวนการการพัฒนาประกอบด้วยอะไรบ้าง啊ะคะ่ะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตพยายามเรียบเรียงให้ให้เป็นประโยคสั้นๆอลไรนะครับเ่อให้เข้าใจได้ง่ายคือเริ่มต้นกับการแยกเชื้อก่อนนะครับ แยกเชื้อก่อโรคซึ่งเชื้อเนี้ยมันชื่อปลาโลแบคทีเรียมคอลัมแนนะครับมันทําให้เกิดโรคเหนือเน่าในปลาโดยเพอย่ยิ่ในปลาหมิเกิดความสูญเสียค่อนข้างสูงมากนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราแยกเชื้อได้เราก็ทดสอบว่าเชื้อสายพันธุไหนเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงในการ ก, รากา่อโรคค่อนข้างมากเราก็เลือกเชื้อสายพันธุนั้นนะครับมาทําให้เป็นเชื้อตายนะครับเสร็จแล้วก็ย่อยให้เป็นอนุภาคเล็กๆนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเอาในธาตุนาโนเนี่ยมาเคลือ บ, บตัวตัวเชื้อที่เราย่อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนประจุนะครับให้มันสามารถเกาะติดกับพื้นผิวของปลานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวเหนือกหรือพื้นผิวพื้นผิวหนังของปลาได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการทําวัคซีนเนี่ยเราเราเป็นวัคซีนแบบแช่เราแช่ ปลาแค่ประมาณ30นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะติดของตัวเชื้อนะครับหรือตัววัคซี น, นกับตัวปลาให้ได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่แช่ปลา30นาทีนะครับเราก็สามารถปล่อยปลาลงไปในแหล่งน้ำหรือว่าในในในบ่อได้นะครับ mm hmm. ค, คือโดยปกติเนี่ยเรามักจะทำกับปลาขนาดเล็กประมาณสักหนึ่งกรัม หนึ 1, 1่งหนึ่งถึงสองกรัมก็คือปกติเวลาเกษตรกรซื้อลูกปลานิล น, นะครับมามามาปล่อยลงไปในบ่อเพ่จะเลี้ยงเนี่ยก็ซื้อมาในขนาดประมาณหนึ่งถึงสองอ่าหนึ่งกรัมนะครับอยู่แล้วหนึ่งถึงสองกรัมไม่เกินนี้นะครับเอ่อก็คือพอซื้อมาเนี่ยก็สามารถจะอ่านํามาแช่กับวัคซีนตัวนี้ได้ก่อนเลยก่อนนําลงไปปล่อยเลี้ยงนะครับครับอเอ่อข้อดีของวัคซีนตัวนี้ก็คือมันสามารถจะทํา วําทวัคซีนให้กับปลาเนี่ยได้คราวละมากๆนะครับที่เราทํามากับตามขนาดใหญ่ๆเนี่ยเราก็ทําทีละเป็นแสนตัวขึ้นไปนะครับประมาณ1แสนถึงสแสนตัวนะครับต่อ 1, 3, ตครั้งก่อนที่เกษต ร, รกรจะปล่อยลงไปในบ่อของเขานะครับค่ะก็ลังจะถามอาจารย์อยู่พอดีว่าในในการแช่ปลาแต่ละครั้งจะใช้ จำนวนปริมาณปลาเท่าไร่แล้วใช้เวลาเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกว่าใช้ได้เป็นเยอคือแบบน้ำหนักครับผมค่ะแต่ดูแบบน้ำหนักครับค่ะแล้ววัคซีนในลักษณะนี้สามารถแช่นํานําปลาที่เลี้ยงอยู่มาแช่ได้ทุกทุกขนาดเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยก็ความสะดวกก็จะน้อยลงแล้วก็ความเขาเรียกอะไร โดสของวัคซีนหรื อ, อปริมาณของวัคซีนที่ต้องใช้ก็จะต้องมากขึ้นด้วยเพราะว่าปลาเขาขนาดใหญ่ขึ้นอย่างอย่างที่เรียนไปะครับคือเราคำนวณปริมาณวัคซีนตามขนาดของปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราอะนะครับแนะนำว่าสะดวกที่สุดคือปลาระยะประมาณหนึ่งกรัมก่อนที่จะนาไปปล่อยเลี้ยงเป็นเป็นปลาขุนนะครับก็ ทำวัคซีนซะก่อนนะครับมันจะป้องกันการอัตราการตายได้ค่อนข้างดีมากนะครับค่ะคแล้วในส่วนของการผลงานวิจัยในครั้งเนี้ยค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนคะยังอยู่ในขั้นตอนทดลองหรือว่าสามารถนําไปเผยแพร่ไปใช้ได้จริงๆแล้วอะคะเอ่อคื อ, ค, อคือตอนนี้เนี่ยตัวตัวนาโ น, โนวัคซีนแบบแช่ตัวเนี้ยได้มีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองเพิ่มเติมเพราะเพราะว่า เ, เรามีนิสิตนะครับซึ่งซึ่งศึกษาวิจัยร่วมด้วยเป็นนิสิตเป็นยาเอก เ, เ, เ, เราต้องเน้นเรื่องเรื่องของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีผลงานวิจัยออกมาเป็นเป็นผลงานแรกนะครับซึ่งเราก็รอผลงานที่สองสามต่อไปหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วภาพของงานวิจัยหรือว่า เเรียกว่าเพเปอร์อะไรกันนะครับที่ที่ถูกซีพีออกมาเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะนำทั้งหมดมาเรียบเรียงต่อกันเป็นคิต่อให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะใหะ้เหมือนกับถ้ามีผู้ประกอบการใดๆที่ทสนใจจะนำเอาวัคซีนตัวเนี้ยตา ม, มาวิธีการการผลิตวัคซีนตัวเนี้ยไปผลิตต่อเป็น commercial scale หรือเป็นทางการค้า ก็ก็ยินดีนะครับเข้ามาคุยเป็นได้ครับค่ะอาจารย์คะทันทีที่ผลงานนานโนวัคซีนแบบแช่นี้เผยแพร่ไปมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรบ้างคะโอ้ดีมากเลยครับมีฟาร์มหลา ย, ลายๆฟาร์มเนี่ยติดต่อเข้ามาบอกว่าในในเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้ผลิตออกมาเป็นเป็น อ่อา commercial scale หรือเป็นทางการค้าเนี่ยมาทดลองกับฟาร์มพอควอดได้ไหมนะครับซึ่งโดยปกตินเนี่ยงานในระดับฟาร์มของเราเนี่ยเราก็ได้สกุลที่ติดต่อเข้ามาในลักษณะแบบเนี้ครับคือหมือว่าอ่าทางมึงทางฟาร์มยิน ด, ดีนะคะรับอาจารย์ถ้าจะเข้ามาทดสอบอ่าในระดับฟาร์ามได้ไรเงี้ยนรับเราก็อ่าให้มีสิทธิ์เป็นเอกเตรียมมาคิดแล้วเราก็เข้าไปทดสอบตอนนี้ก็ เขาสอบมาได้หลายฟาร์มพอคยรแล้วครับในหมายถึงว่าฟาร์มขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าผลมันจะทัดเจนกว่าการทดลองในในระดับห้องปฏิบัติการซึ่งเหมือนกับว่าตู้หนึ่งเลี้ยงปลาทดลองแค่ประมาณ 10-20 ตัวเทียบ ก, กับ ปามขนาดใหญ่ซึ่งในใน บ, บ, บ่อหอนเขาเลี้ยงเป็นแสตัวมันทำให้ส<ม>ังเกดกว่าใช่ครับอาจารย์คะนานไหมคะในเวลาเวลาเราแช่วัคซีน เ, เรียกว่านำปลาเนี่ยผ่านกระบวนการแช่วัคซีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปปล่อยในบ่อเลี้ยงปกติเราต้องสังเกตสักเท่าไหร่คะที่ว่า อ่าวัคซีนของเราได้ผลอะไรทำนองเนี้ค่ะครับโอ้เป็นคำถาม ท, ที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพอาำวัคซีนหรือว่าเราแช่วิดิทุกสามสิบนาทีมันออกฤทธิ์เลยเหมือนยาอะไรทั่วไปไม่ใช่นะครับเราต้องรอให้ตาเนี่ยสร้างภูมิคุ้นกันขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะเราอาศัยภูมิคุ้นกันตรงนั้ น, นในการป้องกันเชื้อที่จะเข้ามาเกาะติดในอนาคต น, นะครับซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณอย่างขั้งตัำนะครับประมาณสิบสี่วันขึ้นไปนะครับ ค่ะแล้วที่ผ่านมาผลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ผลเอเทียบเรียกว่าเทียบกลุ่มวกลุ่มที่ไม่ได้ทาวัคซีนกับกลุ่มที่ทําวัคซีนแล้วกั น, น ค, คับอะตายการตายของของปลาเนี่ยในกลุ่มอที่ไม่ได้ทําวัคซีนเนี่ยค่อนข้างสูงมากเพราะว่าอาไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้ก็ตามหรือว่าอาคุณภาพของน้ําในในใ น, ในฟาร์มกะตามหรือคุณภาพของ ของลูกปลาหนุนที่นํามาปล่อยเลี้ยงเนยครับมันทําให้การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆในค่อนข้างมากอัตราการตายในกลุ่มพวกคุณที่ไม่ได้ทําวัคซีนก็จะพบว่าสูงนะครับเกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตที่ที่เ้าลอกมาในฟาร์มต่างๆนะครับส่วนอสลับกันในกลุ่มที่ทําวัคซีนเนี่ยพบว่ามีอัตราการรอดค่อนข้างสูงมากนะครับอัตราการรอดคือ อยู่ในอยู่ในฟาร์มเดียวกันเนี่ยเขาไม่อัต ร, ราการล่อสูงคือไม่ไม่ค่อยตายอ่าอัตราการรอดอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบปอร์เซนนะครับอืค่ะก็อย่างที่รเราคุยกันตั้งแต่แรกว่าในในในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็โดยเฉพาะปรานินเนี่ยก็ไม่ได้นิยมในการเรื่องของการใช้วัคซีนสักเท่าไหร่นักใช่ไหมคะอาจารย์อืเพราะรว่าด้วยราคาคด้วยอะไรเงี้ยต้นทุนทีนี้ ภายหลังที่มีการพัฒนามีการแบบทดลองจนแบบว่าประจากผลแบบนี้เนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงคะอาจารย์สำหรับฟาร์มที่เลี้ยงปลานิ่นเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับการต่อยอดด้วยคือถ้ามีระดับของที่ประกอบการเนี่ยมามานำนวัตกรรมตัวนี้ไปผลิตในในระดับการค้านะครับ คือมันต้องใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะถอูกไงมครับเขาจะใช้กับฟันจริงถ้ามีบริษัทแบบนั้นมามาติดต่อนำไปผลิตเนี่ยแล้วผลิตได้ในต้นทุนค่อนข้างค่อนข้า ง, าง จ, ะจะถูกนะครับไม่ไดอ้อ่เหมือนคิดราคาข้างวดอะไรของ <c oughs> วัคซีนมากเลยเชื่อว่าเกษตรกรจะแฮปปี้มากเพราะว่าอย่างอย่างที่อาจจะเรียนไปในเบื้องต้นคือการเห็น่เขาไม่ได้ไม่ได้แพงมากถ้ามีวัคซีนแบบออถูก เราป้องกันโรคได้ดีทําให้เขาเลี้ยงปลาแต่ได้ตลอดรอดฝั่งถึงขนาดไซส์ประมาณหนึ่งกิโลหรือว่าไซส์ที่ตลาดกําลังต้องการเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับค่ะแล้วในทีมงานอาจารย์เรียนค่ะเชิญค่ะอาจารย์ครับครับเชิญครับค่ะในในทีมงานของอาจารย์มีแนวโน้มที่จะแบบทํางานในลักษณะผลิตวัคซีนแบบนี้เป็นเชิงพาณิชย์ไหมคะอาจารย์ ของณตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่มี เ, เขาเรียกว่าโรงงานผลิตวัคซีนหรืออะไรที่ใหญ่โตขนาดนั้นนะครับของของเราเองเนี่ยเราคงต้องอาศัยผู้ประกอบการที่เขาที่เขามีศักยภาพตรงนั้นอยู่แล้ว oh <my. S 1> เข้ามาดูแลนำมาไปทำต่อนะครับคือทางทางจุฬากับนาน t เทคเองเนี่ยก็ผลิตได้ ปริมาณหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะใช้เป็นเยอะๆเนี่ยคงกำลังการผลิตคงวงไม่เพียงพอนะครับต้องอาศัยผู้ประกอบการมาม า, มานำไปต่อยอดือ่อหรือนะครับค่ะแล้วในอาจารย์รแล้วก็ทีมงานคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนานาโนโวัคซีนแบบแช่ที่พัฒนาขึ้นนี้ยังไงบ้างคะครับก็การเื้องต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากหนึ่ง ก, ก่อนคือโรคโรคเหงือเน่าที่เกิดจากเชื้อฟาโบแบคทีเอียมคนนะซึ่ง อ่ในเอลำดับถัดไปเนี่ยเราก็ยังมีงานที่เราศึกษาค้นคว้ามาในเบื้องต้นในในเรื่องของเชื้อก่อโรคอื่นอือีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็คงจะเริ่มขยับไปทีละก้าวทาไปทีละตัวเชื้อนะครับและในที่สุดเ อ, อ, อเราเราคงอาจจะต้องมีการทดลองในการทํา วัคซีนอะไรก็ตามในคลาวดเดียวกันแล้วก็ทำให้มันป้องกันโรคได้หลายๆโรคอันนั้นเป็นเป็นเาเรียกอะไรฮะความฝัน mm hmm. ทีมเราต้องการทำแต่ว่าเราเราก็ยังไม่รู้ว่ า, วามันจะมีอุปสรรคมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าทำเป็นทีละตัวทีละตัวเชื้อแบบเนี้ย mm hmm. ก็น่าจะไปได้ดีในในเบื้องต้นนะครับค่ะแล้วโครงการอันใกล้นี้ได้คุยกันไว้หรือ ย, อยังคะ เอาอมีการคุยแล้วครับเพราะว่าเอในโรคในปลาดิ้นเนี่ยมันมีหลายหลายเชื้อหลายโรคนะครับ mm. เชื้อผัดไปที่เรานำเอามาทำเป็นวัคซีนเนี่ยก็คือเชื้อฟราขอโทษครับเชื้อฟรานซิเซลานะครับซึ่งมันจะทําให้ปลา เ, เขาเรียก อ, อะไรเนี่ยเนียดการตายค่อนขอ้างสูงเช่นกันแล้วก็เป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังนะครับ mm. คือลักษณะของปลานิ้น ที่ป่วยเนี่ยมันจะมีลักษณะของจุดขาวๆในอวัยวะภายในนะครับทำให้เขาก็แบบ อ, อ, อัตราการแลกเนื้อค่อนข้างต่ำนะครับให้อาหารไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยโตอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เหมือนเหมือนกับมันเป็นโรคเรื้อรังนะครับเราก็เลยมีแนวคิดที่จะลองลองเอานาโนศาสตาดของนาโนเนี่ยมาประยุก ก็หนึ่งกับเชื้อฝันฟิสเซลาตัวนี้แล้วก็ยังมีเชื้ออื่นอย่างเช่นเชื้ออแอโรโมนานะครับ mm hmm. ครั บ, รบแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเซนล่ามานะครับ มีหลายเชื้ออีกหลายเชื้อเลยก็ต้องบอกว่าที่ฟังฟังก็คิดตามอาจารย์ไปด้วยเนื่องจากว่าในอดิตก็เคยเลี้ยงพวกปลาสวยงามด้วยนะคะอาจารย์แต่ว่ามันมันไม่เคยรอดชีวิตไปได้เลยเนื่องจากว่ามันเจอนี่แหละเชื้อต่างๆนานเนี่ยแล้วก็สิ้นชีวิตไปแต่ถ้ามีเทคโนโลยีนาโนแบบแช่แบบเนี้ยมันน่าจะช่วยได้ได้ค่อนข้างเยอะนะในธุรกิจพวกปลาสวยงามด้วยนะคะอาจารย์ ก็ถ้าถ้าในลักษณะของฟาร์มเขาเลยเนี่ยอาจารย์วัดก็ก็พอช่วยได้นะครับก็ช่วยได้คือถ้าเราทําทําวัคซีนะก่อนเลยในระดับของฟาร์มหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเออมีเชื้อไหนจะส่งผ่านจากพ่อแม่พันธุ์มาสู่ลูกปลาซึ่งซึ่งจะเอามาผลิตจาหน่ายต่อไปเนี่ยเราก็ทําวัคซีนป้องกันซะตั้งแต่เป็นพ่ อ, อมแม่พันธุ์เลยอะไรอย่างนี้ก็ย่อมทําได้ค่ะ เราคุยกันมาหนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงเต็มมานะคะอาจารย์คุยกันเพลิดเปลินได้รับความรู้ไปด้วยนะคะในแวดวงการของการเพาะเลี้ยงปลาหนิลในบ้านเราแล้วก็วิธีการในการฉีดวัคซีนการพัฒนานานวัคซีนอยากให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งเนึ่งค่ะสำหรับอาจารย์แล้วก็ทีมงานที่พัฒนา นาโนวัคซีนแบบแช่นี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์หลักๆรวมถึงเรียกว่าอยากให้อาจารย์ยกคุณสมบัติหรือข้อดีของนาโนวัคซีนแบบแช่นี้ด้วยอะค่ะโอเคครับก็่คือโรคติดเชือ้อสาโรแบคทีเรียมคอร์ลแนหรือโรคเนื้อเน่านะครับเป็นโรคที่ทําความสูญเสียให้กับปลานิ่นในบ้านเราในค่อนข้างมากนะครับอัตราการตายสูงมากประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเอร์เซนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอการถ้าเราปล่อยไปเฉยๆโดยที่ให้ขึ้นอยู่กับสภาพอเอภูมิอากาศนะครับหรือว่าสภาพของปลาที่เราซื้อมาปล่อยเลี้ยงอะไรพวกนี้ฮะก็ค่อนข้างจะควบคุมป้องกันโรคได้ค่อนข้างยากนะครับทางทีมงานของเราเนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าเออจะทําอวัคซีนขึ้นมาเพื่อป้องกันก่อนคือถ้ามันจะมีความผิดปกติของคุณภาพน้ําก็ตามสภาพภูมิอากาศก็ตามหรือ หรือตัวปลามอ่อนแอลงจากเชื้ออี่นก็ตามมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งที่ที่ปลาจะสามารถมีพึณคุ้มการในการป้องกันการติดเชื้อโรคเหงือกเน่าอันเนี้ยได้นะครับแล้วเราก็ได้ผลิตออกมาแล้วก็ทดลองในระดับของฟาร์มไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ ผลที่เกิดขึ้นก็คือพบ ว, ว่าในกลุ่มที่ทําวัคซีนแล้วเนี่ยมีอัตราการลอดค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทําวัคซีนที่อยู่ในฟาร์มเดียวกันแต่แยกบ่อกันนะครับ uh huh. ก็เกษตรกรที่ผ่านมาหลายๆฟาร์มเกษตรกรทัปที้มากมีความชุ้มากเพราะว่าเมื่อสังเกตตัวปลาเนี่ยมันจะสังเกตง่ายมากถ้าเป็นลักษณะของเช er ื้อฟาวอิเล็กทิเรียมหรือโรคหนักหน้าเพราะว่า เกษตรกรเปิดเหงือกมานะครับในกลุ่มควบคุมเหงือกเนี่ยมีลักษณะเน่าที่เห็นได้ชัดเจนมากมีอะไรสีเป็นลักษณะคล้ายๆสีเหลืองเหลืองคล้กัสีสนิมเหล็กอะไรอย่างเงี้ย น, นะฮะเกาะติดอยู่ที่เหงือกซึ่งเมื่อเขาเปิดดูในกลุ่มที่ทําวัคซีนมันได้พบแค่นี้ก็เกษตรกรก็จะเห็นความแตกต่างของกลุ่มที่ทําวัคซีนแล้วไม่ได้ทําวัคซีนอย่างชัดเจนมากนะครับ <S <S <S <S แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ต้อง มีการต่อยอดไปในการป้องกันเชื้ออื่นๆด้วยเพราะว่าการเกิดโรคในปลาหมีหรือปลาชนิดเดีเดนในบ้านเราไม่ได้มีโรคเหนือหน้าอันนี้โรคเดียวจึงขอความสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการมีทีมวิจัยพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเชื้อโรคหลายๆเชื้อที่มันจะทําความเสียหายกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาในบ้านเรานะครับค่ะสําหรับใครที่ฟ<า><า>ังเราทั้งสองคนอยู่นี้นะคะมีข้อคําถามข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติม นองเหนือจากนี้จะสามารถติดต่อไปได้ที่ไหนอ ย, อย่างไรคะอาจารย์สามารถติดต่อมาได้ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับถ้าติดต่อทางจะติดต่อทางเฟซบุ๊กได้หรือว่าถ้าเป็นอีเมลของผมเนี่ยยังไงดีฮะผมแจ้งทางนี้เลยเชิญหรือว่าบอกได้เลยค่ะอาจารย์ได้เลยนะครับผม ก, ก็จะ สามารถติดต่อมาได้ทางทางอีเมลของผมนะครับ chan นะครับ n a r o n g r a j u l a a c th ครับอืค่ะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยหลายช่องทางติดต่อเข้ามาได้เลยครับแล้วก็สามารถสอบถามอะไรต่างๆนานาเข้ามาได้เลยนะครับถ้าใครสะดวกที่จะใช้เฟซบุ๊กเฟกก็จะเป็นชื่อผมเลยนะครับ C H A N M A R o N A R O N G แล้วก็เว้นวั D J U ค R O D H U N ค่ะก็สกดชันนรงใช่ไหมคะอาจารย์ชันนรงรอดทำเลยครับคก็สามารถาคุยกันได้ทุกช่องทางนะครับถ้าใครฟังอยู่แล้วมีข้อสนใจเพิ่มเติมนะคะก็ต้องบอกว่าวัคซีนการพัฒนานักโซวัคซีนนาโนนี้ที่คุยกันเอาแบบคร่าวๆสรุปๆเลยก็คือว่าสามารถใช้กับ ปาได้ทุกขนาดนะอาจารย์แล้วก็ได้คั้งะมากๆต้นทุนต่ําประหยัดเวลาและแรงงานนะคะสําหรับการพัฒนานาโนวัคซีนแบบแช่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะและในวันนี้เวลาของทางรายการอินโนเวชั่นฟอร์ไลฟ์ก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกุลกนิษฐาเงาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรชันรง์รอดคําก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี Printing and Packaging งดีไซเนอร์ตุเตลซนนน์